ทาวสักกะจอมทวยเทพก็ทราบความดําเริในพระไทยของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระไทยของพระองค์แล้วก็ได้ยกศิลาแผ่นใหญ่มาวางแล้วก็พลางทูลว่าพระผู้ใต้เจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงขยําผ้าบางสกุลบนศิลาแผ่นนี้ลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดําเริต่อไปว่าเราจะพึงพาดผ้า บ, บางสกุลไว้ณนะที่ไหนหนาพาดก็คือตากกันนะซักเสร็จแล้วก็ตากที่ไหนดี ครั้งนั้นเทพพยดาที่สิงสถิตยอยู่ที่ต้นกลุ่มบกต้นกลุ่มนะทราบความดําริในพระทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยใจจึงน้อมกิ่งกลุ่มเนี่ยลงมาพลางกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงภาคผ้าบังสกุลไว้ที่กิ่งกลุ่มนี้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงดรําริต่อไปว่าเราจะผึ่งผ้าบังสกุลณที่ไหนเนอครั้งนั้นท้าวสกกะจอมเทพก็ทราบพระดําริ ในพระไทยของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ยกแผ่นศิลาลก็ยกแผ่นศิลาแผ่นใหญ่มาวางพลางกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงผึ่งผ้าบางสกุลบนแผ่นศิลานี้ก็เรียกว่าตากตากผ้าบนแผ่นหินบอกว่าในบรรดาการตากผ้าเนี่ยนะตากผ้าบนแผ่นหินแห้งเร็วกว่าเพื่อนเอ ม, มาชอบตากผ้าบนแผ่นหินสมัยก่อนเนี่ยนะสมัยที่ไปอยู่ที่ที่ถ้าแห่งหนึ่งเนี่ยมันจะซักผ้าเสร็จว่าแผ่นหินเนี่ยตากแห้งเร็วที่สุดเนี่ยนะ แห้งเร็วกว่าแขวนเยอะเพราะข้างล่างก็ร้อนข้างบนก็ร้อนแป๊บเดียวก็แห้งล้ต่อจากนั้นท่านชดินอุรุเวลกสัส ป, ปะก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยล่วงราตรีนั้นครั้นถึงแล้วก็กราบทูลคํานี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถึงเวลาแล้วมหาสมณพัตนาานี้เสร็จแล้วเอ๊ก็เห็นสถานที่มันแปลกไป ก็เหตุไรเนามหาสมณะเมื่อก่อนสะในที่นี้ก็ไม่มีเดี๋ยวนี้มีสะอยู่ณที่นี้เมื่อก่อนศิลาแผ่นนี้ก็ไม่มีวางอยู่ใครเนาะยกศิลามาวางไว้เมื่อก่อนกิ่งกลุ่มบกต้นนี้ก็ไม่น้อมลงมาแต่เดี๋ยวนี้กิ่งใบนั้นก็น้อมลงมาเพราะอะไรเะนกันพระพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะที่พระองค์คิดแล้วก็เทา้าสกะมาช่วยเหลือแล้วก็เทพพดาที่อยู่ที่ต้นต้นกลุ่มเหล่านั้นช่วยเหลือ โดยบอกว่ากขาบอกว่าศิลาแผ่นนี้อันผู้ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยได้ยกมาไว้นะพระองค์ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยไม่ใช่มนุษย์นายยกมาก็ขนาดว่าแผ่นหินแผ่นใหญ่นะขนาดตากผ้าได้ก็ถือว่าแผ่นใหญ่มากเลยใหญ่กว่าสองสามโต๊ะเนี่ยมารวมๆกันนะครั้งนั้นเฉเดนอุโรเวและกัสะปะก็ดําริว่าพระมหาสมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้ถึงกับเทา้าสกะจอมถวยเทพได้ทําการช่วยเหลือ ไม่อมาเป็นวยาวัชกรช่วยเหลือรับใช้เลยแต่ก็ไม่เป็นพราตทหารเหมือนเราแน่สู้เราไม่ได้เนี่ยเราเก่งกว่าทั้งเยอะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสวยพัตาหารของท่านชดินอุรุเวลกัสปะแล้วก็ประทับอยู่ณนไะพรสนตาบล น, นั้นมันก็จริงนะว่าว่าเขาถือว่าไอความสะอาดความบริสุทธิ์เนี่ยมันถือด้วยข้อวัดเขาไม่เข้าใจว่ามัดแปดคืออะไร เขาไม่รู้ว่ า, าการชําระล้างบาปเนี่ยมันต้องชําระด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดความเศร้ามองเป็นต้นจึงจะหลุดออกไปจากจิตใจได้เพราะฉะนั้นเขาเชื่อแต่เรื่องรูปธปรรมแม้กระทั่งในโลกนี้ยุคนี้ก็เหมือนกันนะเขาถือน้ำนะเป็นเครื่องอย่างสมุติจะเข้ารีดลับที่ใดลัที่หนึ่งก็ยังใช้น้ําอยู่เพื่อที่จะช่วยให้ให้ถึงความสะอาดถึงความบริสุทธิ์เนี่ยนะในยุคนี้ก็ยังเป็นอยู่ เขาเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ได้ด้วยน้ําแต่ศาสนาเราถือว่าความบริสุทธิ์มีได้ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดนี่ยนะอริยมรรคมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิที่เห็นอริยสัจเป็นต้นคันราตรีล่วงนั้นไปเนี่นะราตรีผ่านไปรู้เวลกระสปะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทันแล้วก็กราบทูลพัตการแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถึงเวลาแล้วมหาสมณะพัตฐารเสร็จแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนกัสสปะท่านไปเธอเราจะตามไปพระองค์ก็ส่งชดินอุรุเวละกัสสปะไปแล้วพระองค์ก็ส่งไปเก็บผลว่าจากต้นว่าประจําชมพูทวีปพระองค์ก็เสด็จไปประทับนั่งณโรงบูชาเพลิงก่อนชดินอุรุเวละกัสสปะได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งในโรงบูชาเพลิงแล้วก็ได้ทูลคํานี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่มหาสมณะท่านมาทางไหนข้าพระเจ้ากลับมาก่อน แต่ท่านยังไม่มาเสร็จแล้วก็มานั่งในโรงบูชาเพลิงก่อนเอ๊ะไปยังไงมายังไงทําไมมาถึงก่อนเนี่ยพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนกัสริยเราส่งท่านไปแล้วก็ไปเก็บผลว่ามาจากต้นว่าประจำชมพูทวีปแล้วก็มานั่งในโรงบูชาเพลิงนี้ก่อนดูก่อนท่านกษัตริย์ต้นว่านี่แลสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นรส ถ, ถ้าท่านต้องการก็บริโภคได้เนี่ยนะไปเก็บมาเนี่ยบริโภคสิ อรูเวละกัสสะปะก็บอกว่าอย่าเลยมหาสมณะท่านนั่นแหละเก็บผลนี้มาท่านนั่นแหละจงฉันผลไม้นี้เถิดไอคำว่าเก็บเนี่ยไม่ใช่ว่าพระผู้เจ้าไปเด็ดออกมาเองในหมายของว่าพระองค์เสด็จไปที่นั้นแล้วก็เทวดาเป็นต้นถวายนั่นแหละลําดับนั้นเชเดนอรูเวละกัสสะปะก็มีความคิดขึ้นว่าพระมหาสมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้ พระองค์เนี่ยส่งเรามาก่อนแล้วก็ยังเก็บผลว่าจากต้นว่าประจําชมพูทวีปแล้วมานั่งณโรงบูชาเพลิงก่อนแต่ก็ไม่เป็นผ้าอรหันเหมือนเราแน่ห่อเหินเดินอากาศได้ก็ไม่เชื่อว่าเป็นอรหันเหมือนตัวเนี่ยนะตัวนี้ทําอะไรก็ไม่ได้เลยได้ไดแต่ย่างไฟมาแค่นั้นนะ่ะย่างไฟก็อาบน้ําถือว่าประเสริฐเลิศที่สุดเนี่ยนะคือจริงๆนะคนที่เชื่อรัฐที่เหล่นี้เชื่อเชื่อเอาเป็เอาตายเลยนะ เชื่อเอาเป็นเอาตายบางคนก็เชื่อในเรื่องกินพืชกินผักกินสุดแท้แต่ว่าเชื่อในการไปนั่งนิ่งๆไม่กินข้าวกี่วันนั่งไม่เปลี่ยนอิรยาบถก็เชื่อว่าตัวเองได้ดิบได้ดีวิเศษวิเศษโศมาจากพฤติกรรมของตัวเองนั่นแหละโดยที่ไม่รับรู้ไม่รับรู้และไม่ต้องการรู้ด้วยนี่นะไม่ต้องการรู้ด้วยไม่สนใจที่จะรู้และไม่ต้องบอกฉันไม่ต้องการรู้ไม่ต้องการเห็นฉันขอรู้อย่างที่ฉันรู้ตลอดไปเพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งกับฉันก็แล้วกัน งคนที่เป็นลักษณะนี้มีมากเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าทิฏฐุปาทานเนี่ยนะยึดถือทิฏฐิยึดถือเอาความรู้ความเห็นของตัวนี้ยิ่งใหญ่มากทั้งๆ ท, ที่ความเห็นอันนั้นก็เป็นสังขารธรรมเนี่ยนะนะเป็นสังคตะธรรมชนิดหนึ่งที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งคือน้อยคนมากที่จะเก็บเอาความคิดทุกความคิดของตัวเองมาวิจัยได้นวะว่าเออความคิดตัวเนี้มันเกิดจากอะไรมันมีอะไรเป็นสมุทฐานคิดอย่างนี้แล้วมีอัสาธะอย่างไร คิดอย่างนี้แล้วอาทีนวะมันเป็นอย่างไรคิดอย่างนี้แล้วอุบายเครื่องออกสลัดออกจากความคิดเหล่าเนี้ได้อย่างไรคือไม่รู้จักอัศทาะของทิฏฐิไม่รู้จักอาทีนวะของทิฏฐิไม่รู้จักนิสรณะของทิฏฐิไม่รู้ด้วยว่าเหตุเกิดของมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้เกิดจากอะไรแล้วความดับทิฏฐิเหล่านี้อะไรเป็นเหตุให้ดับก็ไม่รู้เมื <ere boro S 1> <c> ่อ <Mind> <c> ไม่รอบ <c> ร, <c> ร, รู้ว่าอะไรคือเหตุเกิดของทิฏฐิเช่น ขันเป็นเหตุเกิดของทิฏฐิวิตกเป็นเหตุเกิดของทิฏฐิสัญญาเป็นเหตุเกิดแห่งทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะทิฏฐิเหล่านี้ก็มีเหตุเกิดและก็ความดับของทิฏฐิก็ต้องดับด้วยโสดาปฏิมัติและอัสาธาของทิฏฐิก็คือเนี่ยตัวเองก็สร้างแต่ความมั่นใจให้กับตัวเองขึ้นอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองลาภสการะชื่อเสียงสรรเสริญยศสรรเสริญทั้งหลายก็จะระดมตามมาอันนี้คืออัสาธาความน่ายินดีความน่าเพลิดเพลินของเจ้าลัทธิ ถามว่าลัทธิเหล่านี้มีโทษอะไรเขาบอกคติสองของเจ้าลัทธิทั้งหลายหรือคติสองของอผลของทิฐิก็คือนรกกับเดรฉ า, านเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมปลาในน้ําจึงมากกว่าสัตว์บนบกทําไมสัตว์น้ํามากกว่าสัตว์บกเพราะสัตว์ทั้งหลายเชื่อว่าบริสุทธิ์ได้ด้วยน้ำเพราะคิดถึงน้ําก็คือสวรรค์ของเราเลยแหละรฉะนั้นเวลาก่อนตัวเองจะตายใช่ไหมถ้าคิดถึงน้ําเกิดที่ไหนดีก็เกิดอยู่ในน้ำเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดในน้ําควรจะอยู่ในตําแหน่งอะไรก็สุดแท้แต่ว่า กรรมที่ทำไว้จะอยู่ในฐานะไหนจะปีมือหลายๆมือหรือเปล่าเหมือนปลาหมึกงไงใช่หรือว่าจะโอ้ยอะไรจะวิจิตเท่าสัตว์ใต้น้ำไม่มีอีกแล้วสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ใต้น้านีวิจิตพิสดารที่สุดเลยนะยิ่งทะเลลึกเท่าใดยิ่งวิจิตที่สุดขนาดนั้นเนี่ยนะเพราะคนเชื่อเรื่องลทัทธิสายน้ํามากเชื่อเรื่องน้ํามากเพราะฉะนั้นเมื่อผูกพันกับ น, น้ําจิตใจคุ้นคิดกับน้ําผูกพันกับน้ําคิดถึงแต่น้ําเกิดที่ไหนดีก็เกิดอยู่ที่น้ำนั่นแหละ จะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามสมควรทีนี้คนที่เชื่อในสิ่งใดๆเนี่ยนะโดยมากก็วนๆพันๆลงไปสู่ณนะจุดนั้นจนได้มันจะต้องรอบรู้ว่าไอความคิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรความเห็นที่ตัวเองคิดเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันจบลงที่ไหนต้องวิจัยให้ได้ถ้าวิจัยกําหนดแยกแยะตัวความคิดของตัวเองไม่ได้ยากเพราะาสัตว์โลกนี่เชื่อมั่นอะไรที่เขาบอกว่าสิ่งอะไที่ตัวเองทำนี่เชื่อมั่นมากใช่ไหมคำไหนที่ตัวเองพูดคํานั้นตัวเองก็ยืนยัน แล้วสิ่งใดที่ตัวเองเชื่อตัวเองเห็นจะไม่ยืนยันได้อย่างไงอย่างแค่ว่าวันนี้ไปฟังธรรมไหมบอกไปไม่ได้เพราะานัดคนโน้นไว้แล้วว่าจะทําอย่างนั้นเขาบอกงั้นสระะุปไปฟังธรรมไม่ได้เพราะว่าได้พูดไว้แล้วว่าจะจะไปอย่างนั้นอันนี้เชื่อมั่นในอะไรเชื่อมั่นในคําพูดอวันนี้ไปทำโน้นไหมบอกไปไม่ได้เพราะาตัวเองต้องทําอันนี้เพราะว่าจะทําอันนี้มันพฤติกรรมก็เปลี่ยนยากคําพูดก็เปลี่ยนยากโดยเฉพาะความคิดอะไรจะเปลี่ยนยากเท่ากับ ความคิดไม่มีอีกแล้วความคิดที่โดยโดยโอภิชาเป็นสมุทฐานก็เปลี่ยนยากความคิดที่มีพยาบาทเป็นสมุทฐานก็เปลี่ยนยากความคิดที่เป็นมิจฉาทิฐิเป็นสมุทฐานยากที่สุดเพราะว่ามันเป็นความรู้ความเห็นมันเป็นจิตวิญญาณของคนนั้นไปเรียบร้อยแล้วมันเป็นทิฏฐิของคนนั้นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเมื่อเป็นทิฐิของเขาไปแล้วอย่าเปลี่ยนใจเขาเลยอย่าเปลี่ยนให้ยากเลยหมดสิทธิ์เนี่ยนะยากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ได้ฟังธรรม ที่ที่ละเอียดละออมีการจําแนกแจกแจงรายละเอียดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆยาก น, นะไม่ประสบความสําเร็จหรอกเพราะฉะนั้นคนที่จะแก้ลัทธิเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีบุญ ร, ระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะยากอย่างสมัยนี้เนี่ยนะเจ้าลททัทธิทิฐิเหล่านี้ก็มีเรือนล้านไม่ใช่มีน้อยๆเพราะว่าพวกฤาษีมาอาบน้ําล้างบาปทีมาเป็นล้านฤาษีมาอาบน้ำล้างบาปเนี่ยมาเป็นล้านก็มีหลายลทัทธิ แล้วแต่บางพวกทาสีที่น่าภาคบางพวกทาสีที่น่าบางพวกทาสีตามเนื้อตามตัวมีสารพัดลัทธทิจริงๆถ้าเป็นสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าคงสงเคราะชนเหล่านี้ได้มากแต่ว่าถ้าเป็นสมัยนี้อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเด็กขาดเนี่ยนะไปกราบเขาอย่างเดียวไปบูชาเขาอย่างเดียวไปยกดั่งเขาอย่างเดียวนะครัเพราะว่ามีเมืองหรือสีด้วยนเนี่ยนะมีเมืองของหรือสีด้วยดีจริงไม่ดีจริงไม่รู้ล่ะแต่ว่าอย่างนี้ก็มีอยู่แต่คนที่จะช่วยให้ชนเหล่านั้นรู้อริยสัจได้ถ้าไม่มีบุญจริงๆยากเนี่ยนะ ขนาดว่าคนที่ฝักใฝ่ที่จะรู้อริยสัจยังจะเข้าใจยากจะกล่าวไปยัยถึงคนที่ไม่สนใจและมีความเห็นที่ตรงกันข้ามกับอริยสัจด้วยเนี่ยนะแล้วเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอ้ความคิดเรานี่มันสัมมาทิฏฐิหรือมันมิจฉาทิฏฐิอยู่เนี่ยเพราะว่าทุกคนก็มั่นใจกระยิ่มในอะไรที่คือคนเนี่ยนะคิดว่าตัวเองทําอะไรโดยมากก็จะมีผลกำไรจากสิ่งนั้นใช่ไหม ผลกําไรจากสิ่งที่ทําผลกําไรจากคําที่พูดแล้วความคิดจะไม่เชื่อได้อย่างไงว่ามันมีผลมีกําไรเพราะทุกคนจะมีความมั่นใจลึกๆว่าวิธีคิดของชั้นนี่แหละจะได้ดิบได้ดีวิธีคิดของชั้นนี่แหล ะ, จ ะ, นนหละจะพ้นทุกข์แล้วละ่ะเกือบพ้นทุกข์แล้วละ่ะรออีกหน่อยก็แล้วกันกางกันใจเย็นๆเข้าไว้กางกันนะวิธีการของชั้นนี่เกือบบรรลุและเกือบพ้นทุกข์แล้วอันตรงนี้ที่จะต้องมาเช็คมาตรวจสอบพยายามเลยว่า หลายหลายท่านที่มีสารณะเนี่ยนะมีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเนี่ยพยายามคิดไว้เสมอว่าในแต่ละเรื่องพระพุทธเจ้าคิดไว้อย่างไรและพระพุทธเจ้าตรัสสิ่งนั้นไว้อย่างไรแล้วพระองค์ต้องการอะไรจากการแสดงสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไม่เข้าใจทิศทางที่ชัดเจนเราก็ลับที่ของเราแต่ติดสติ๊กเกอร์ของพระพุทธเจ้าความเห็นของตัวแต่บอกคําสอนของพระพุทธเจ้า หลักการของตัวเองบอกนี่เป็นพระพุทธศาสนาเนี่ยนะอันนี้ก็ลำบากมากแต่นี่พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าผู้ผู้ฝึกเวนยสัตว์เนี่ยนะผู้ฝึกธรรมะเนี่ยแปลว่าผู้ฝึกปุริสธรรมสารฐิก็คือผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใคร ย, ยิ่งกว่าพระองค์ก็มาฝึกอุรุเวละกัสปะฝึกแบบใช้ฤทธิ์อิทธิปาฏิหารกับ ขันติเนี่ยนะทนอย่างเดียวมไม่ต้องทําอะไรหรอกไม่ต้องไปบอกพระองค์ไม่สอนเลยนะเห็นไหมพูดแบบแนะนําบอกกล่าวไม่ใช่หรอกลทัทธิของท่านเป็นอย่งงางนั้นอย่างนี้ไม่พูดอะไรแต่คําเดียวก็เอาเธอเขาทำของเธอไปฉันก็อยู่้องฉันไปเนี่ยนะครั้งนั้นพระองค์ก็เสวยพัะตาหารของเชดินอุรุเวลกัสปะแล้วก็ประทับอยู่ณนไะพรสนตําบล น, นั้นน่าจะเทศซะหน่อยนะนะน่าจะสอนเขาหน่อยนะพระองค์เป็นกาลันอยู่บุคคล รู้ว่าเวลาไหนควรจะพูดอะไรและควรจะพูดแค่ไหนเมื่ อ, อไหร่เนี่ยพระองค์รู้ดีว่างั้นเมื่อราตรีเหล่านั้นผ่านไปเชดินอุรุเวลกัสปะก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นแล้วก็กราบทูลพัตตการแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถึงเวลาแล้วมหาสมณนะพัตตาหารเสร็จแล้วพระองค์ก็ส่งเชดินอุรุเวลกัสปะไปด้วยพระดํารัสว่าดูก่อนท่านกัสปะไปเถิดเราจะตามไป เสร็จแล้วพระองค์ก็ไปเก็บมะม่วงบ้างเก็บมะขามป้อมบ้างเก็บสมอบ้างในที่ไม่ไกลาจากต้นว่าไปจําชมพูทวีปบางทีก็ไปโน่นไะงไปพบดาวดึงไปเก็บดอกปริชตะกะนี่นะต้นแครไฟล์มาประทับนั่งรอที่โรงบูชาเพลิงก่อนฉดินอุรุเวลักษัปปะบางทีเนี่ยแวะไปดาวดึงแล้วกลับมาก่อนแล้วบางั้นอุรุเวลักษัปปะได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอยู่ที่โรงบูชาเพลิงครั้นแล้วก็กราบทูลคํานี้ ตอพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่มหาสมณะท่านมาจากไหนข้าพเจ้ากลับมาก่อนท่านแต่ท่านยังมานั่งในโรงบูชาเพลิงก่อนพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนกัสปะเราส่งท่านไปแล้วก็ได้ไปสู่พบดาวดึงไปเก็บดอกปริชัตะกะมาแล้วมานั่งในโรงบูชาเพลิงก่อนดูก่อนกัสปะดอกปริชัตะกะนี่แลสมบูรณ์ด้วยสีและกลิ่นสีก็สวยกลิ่นก็หอมเนี่ยนะ ครั้งนั้นชฉเดนโอรเวลกัสปาก็มีความคิดขึ้นว่ามหาสมณะนี้มีริษมากมีอนุภาพมากแท้เชื่อนะยอมรับมากถึงขนาดอุปถากด้วยตัวเองอ่ะคือคเรียกว่าก็ถือว่าเลื่อมใสยอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าคนระดับนี้ไม่ใช่ไปจะอุปถากใครได้ง่ายๆเพราะคนอื่นยกย่องตัวว่าเป็นพระอรหันต์ก็ยอมรับพร้อมที่จะทําบุญพร้อมที่จะดูแลปัจจัยสี่ให้พระพุทธเจ้าทุกอย่างอะ่ะแต่ก็สู้เราไม่ได้เหมือนกันก็ๆๆ แต่ก็ไม่เป็นผ้าอรหันเหมือนเราจะใหญ่ขนาดไหนเก่งขนาดไหนก็ไม่ใช่อรหันเหมือนเราเนี่ยนะก็คนนี่มันเอาเอามากขนาดนี้จริงๆนะพวกเจ้ารับที่พวกอะไรจะแก้ยากเท่ากับความเชื่อความรู้ความเห็นไม่มีอีกแล้วที่เรียกว่าทิฏฐิเนี่ยนะทิฏฐิแปล ว, ว่าความเห็นความเข้าใจเนะี่ยทัศนคติเนี่ยมันเป็นตัวที่รุนแรงแก้ยากที่สุดเนี่ยนะโดยสมัยนั้นแหละเชดินเหล่านั้นปรารถนาจะบำเรอไฟบำเรอไฟก็คือบูชาไฟนะ บำรุงไฟนั่นแหละแต่ก็ไม่อาจจะผ่าฟืนได้ชดินเหล่านั้นก็มีความคิดต้องกันว่าข้อที่พวกเราไม่อาจาผ่าฟืนได้เนี่ยก็คงเป็นอิทธานุภาพของพระมหาสมณะแน่ไม่ต้องสงสัยเมื่อก่อนเนี่ยยกขวานขึ้นมันแทบจะผ่าอยู่แล้วใช่ไหมวันนี้ผ่ายังไงมันก็แแมเหมือนกับฟันดินเหนียวแปะแปะเข้าไปทําอะไรไม่ได้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับอุรเวลกัสปะว่าดูก่อนกัสปะพวกชดินจงผ่าฟืนเถิด ชดินอุรเวและกัสปะก็รับพระพุทธามรัตว่าข้าแต่พระมหาสมณะพวกอชเดนจงผ่าฟืนกันชดินทั้งหลายก็ผ่าฟืน500รท่อนคราวเดียวกนะันฟันภาพเดียวก็แทบได้500แล้วงั้นแป๊บเดียวเนี่ยนะครั้งนั้นชเดนอุรเวและกัสปะก็คิดว่าพระมหาสมณะนี่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากถึงกับให้ชเดนเนี่ยผ่าฟืนได้แต่ก็ไม่เป็นผ้าอารหันเหมือนเราเห็นไหมให้เรานี่อรหันแต่ก็ผ่าฟืนไม่แตกไง น, นะ ครั้งนั้นเฉเดนปรารถนาจะบำเรอไฟแต่ก็ไม่อาจจะ ก, ก่อไฟให้ลุกขึ้นได้เฉเดนก็คิดว่าเนี่ยไฟเนี่ยก่อไฟไม่ติดเนี่ยอนุภาพพระพุทธเจ้าแน่วางนั้นเถอะเสร็จแล้วก็อุรุเวลกัสปะก็เข้าไปเฝ้านะพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนกัสปะพวกเฉเดนจงก่อไฟให้ลุกเถิดพร้อมกับพระพุทธดัรัสนั่นแหละเฉเดนก็ก่อไฟให้ลุกทีเดียว500กองเ น, น, นะ ชดินก็เลยคิดว่าโอพระมหาส ม, มณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากให้ไฟลุกขึ้นได้แต่ก็ไม่เป็นผ้ารหันเหมือนเราสร็จแทีนิ้พอติดไฟบูชาเพลิงเสร็จกิจหมดก็จะดับไฟเนี่ยนะเพราะจะดับไฟเพราะว่าจะเก็บฟืนไว้บูชาเป็นต้นไว้วันหลังต่อก็ดับไฟไม่ได้อีกคิดว่าเออนี่ยอนุภาพของพระมหาส ม, มณะไม่ต้องสงสัยพระองค์ก็ตรัสกับชดินรู้เวลากัส ป, ปะว่าดูก่อนกัส ป, ปะพวกท่านจงดับไฟเถิดพร้อมกับ พุทธพจน์นั่นแหละไฟก็ดับห้าร้อยกองพร้อมกันอีกโอ้มีฤทธิ์มากแท้แต่ก็ไม่เป็นอรหันเหมือนเราเนี่ยนะมันเชื่อมากจริงๆเลยนะคือคือตัวเองก็ยังแค่ว่าพกความมั่นใจมาตลอดเลยพกความมั่นใจนะคือคนเรามันต้องมีอะไรให้สักอย่างหนึ่งให้เป็นที่ตั้งแห่งความมั่นใจใช่ไห อย่างสมอคนมีตังก็เอาสตังเป็นเครื่องมั่นใจคนมีอะไรสักอย่างก็จะเอาสิ่งนั้นนี่แหละเป็นเครื่องมั่นใจนี่เขาเชื่อว่าเป็นท่าอรหรันก็เลยเอาแต่ความมั่นใจเชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นอรหรันเป็นความมั่นใจเนี่ยนะสมัยนั้นชะเดินก็พาการดำลงในน้ำมุดลงไปเนี่ยนะแล้วก็ผุดขึ้นบ้างทั้งมุดลงทั้งผุดขึ้นในแม่น้าเนรัญชราในราตรีหนาวเมันตดูพระพุทธเจ้าออกพรรษาแล้วพระองค์ก็ เสด็จไปโปรดเนี่ยฉดินสาพี่น้องไปโปรดหน้าหนาวสมัยนั้นบางช่วงมีหิมะตกด้วยนะแถวแถวพุทธคยาไม่น่าเชื่อว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยเมื่อสองพันกว่าปีมีหิมะตกมันหน้าหนาวเย็นอากาศน่าจะติดลบนะหิมะตกเนี่ยอากาศติดลบอยู่แล้วล่ะแต่ว่าช่วงนี้เป็นระหว่างท้ายเดือนสมต้นเดือนเรียกว่าเดือนสี่ในสมัยนั้นน้ําค้างก็ตกมากแต่บางแห่งเนี่ยมีบางบางสูตรเนี่ยมีหิมะตกแต่ว่าตรงนี้ยกน้ําค้างตก แสดงว่าแรงมากเย็นจัดเนี่ยนะที่ไหนท่านน้าค้างชุ่มชุมเนี่ยมันน้องๆน้ําฝนนี่แหละชุ่มมากเลยแหละทางนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เนรมิตกองไฟไว้ห้าร้อยกองสําหรับชัดินเหล่านั้นขึ้นจากน้ําจะได้ผิงพอตัวเองมัวแต่อาบน้ําล้างบาปท่ามกลางฤดูหนาวเน็บเนื้อเนี่ยนะจริงเขาบอกว่าพวกอาบน้ํำล้างบาปาานี่ก็นาวเน็บพวกมุดหาปลาฤดูหนาวก็อย่างนีน้แหละมันเย็นจริงๆเลยนะตื่นขึ้นมานี่สันงอกนละนะ พิงเสร็จแล้วก็มุดไปหาปลาต่อพวกคือคือมันพวกทําปานาติบาตมันก็เดือดร้อนพวกคดโกงเนี่ยนะไอการลักขโมยบางอย่างมันก็ต้องไปทนเย็นเหล่านั้นเหมือนกันนะอ่าบางทีเนี่ยอย่างพวกที่ทําบาปคือทุจริตทุกข้อเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าจะทําสนุกสนุกหรอกตอนทําก็เดือดร้อนผลของการกระทําก็เดือดร้อนอย่างลักทิทิฐิเหล่านี้เนี่ยนะอ่าตอนทําก็เดือดร้อนผลแห่งการกระทําต่อไปก็เดือดร้อนเนี่ยบาปมันก็ไม่ดีอย่างนี้แต่ว่าคนก็อดไม่ได้เนี่ยนะ เพราะอะไรเพราะว่าใจสั่งสมบาปมานานเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายเศร้ามองมานานแล้วนั้นพระองค์ก็สงสารเนี่ยนะโอยหนาวเน็บขนาดนั้นเนี่ยถ้าไม่จุดไฟไว้รอเนี่ยน่าจะช็อกกันตายหมดเลยผมก็เลยเนรมิตกองไฟไว้เลยห้าร้อยกองให้เชดินเหล่านั้นก็มีความคิดเหมือนกันว่าข้อที่กองไฟใหญ่เหล่านี้ถูกเนรมิตเอาไว้นั้นคงต้องเป็นอิธานุภาพของพระมหาสมณนะไม่ต้องสงสัยเลยลูกศิษย์นี้ศรัทธาพระพุทธเจ้าหมดแล้ว แต่ว่าอาจารย์เนี่ยอรหันอย่างเดียวเนี่ยนะก็เลยแบบเกรงใจอาจารย์เนี่ยนะจะไปนับถือพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก่อนแล้วแต่อาจารย์ไปก่อนเนี่ยนะเกรงใจอาจารย์ที่สุดเลยแล้วอาจารย์ก็พกแต่ความมั่นใจคือใครที่จะเป็นอาจารย์ได้เนี่ยต้องคนเชื่อมั่นตัวเองสูงมากๆเลยนะใครจะเปลี่ยนไปกี่ร้อยกี่พันก็เปลี่ยนไปเถอะฉันไม่เปลี่ยนเพราพวกนี้จงึงจะเป็นอาจารย์ได้ถ้าดีก็ดีไปถ้าไม่ดีก็โอ้ยลึกกว่าเพื่อนเลยแหละเหมือนกันนพราอาจารย์ก็เลยบรรลุชาของพวก ครั้งนั้นชัดินอุโรเวละกะัสปะก็มีความนําเรว่าพระหมหาสมณะเนี่ยมีฤทธิ์มากมีหนุภาพมากถึงกับเนรมิตกองไฟใหญ่ได้มากมายเท่านี้แต่ก็ไม่เป็นพธาตุหันเหมือนเราเนี่ยนะเรานี่ลูกศิษย์หนาวแทบตายก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ก็เป็นอารหารันก็แล้วกันในสมัยนั่นแลเมฆใหญ่ในสมัยที่ไม่ใช่ฤดูกาลเนี่ยนะไม่ใช่ฤดูฝนฝนก็ตกลงมาเรียกว่าปลายหนาวต้นร้อนเนี่ยมีในฝนช่วงนั้นเนี่ยถือว่าฝนหนักมาก น้ำใหญ่ก็ได้ไหลนองไปประเทศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ขณะนั้นถูกน้ําท่วมเออเนี่ยนะแถวแถวกุมพามีนาเนี่ยน้ําท่วมเอาสิพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดํมริว่าชะไหนเนาเราเพ่งบันดาลให้น้ําเนี่ยอขออภัยไม่ถึงนะประมาณแถวแถวท่านน่าจะเป็นแถวมกราหรือทันวามกราช่วงช่วงเนี้ยแต่คิดว่าประมาณมกรามาฆ่าบูชาเนี่ยมันเป็นเดือนไหนนะกุมภาใช่ไหมกุมภาเนี่ยช่วงเนี้ประมาณมกรา พราฝนตกน้ำท่วมเหมือนเถอะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดำเริว่าชะไหนเนเราพึงบันดาลให้น้ำออกห่างไปโดยรอบเหมงนั้นให้ให้พื้นที่บริเวณที่พระองค์อยู่ไม่มีน้ำเลยเหมือนกับติดกำแพงไว้เรียบร้อยเลยกำแพงแก้ ว, วกเหมนนะเสร็จแล้วพระองค์ก็จงกรมอยู่บนภา พ, พื้นที่มีฝุ่นฟุ้งขึ้นในตอนในตอนกลางเนี่ยเดินจนฝุ่นคลุ้งหมดอ่ะนะ คั้นแล้วก็บันดาลให้น้ําห่างออกไปโดยรอบเสด็จจงกรมอยู่บนภาคพื้นที่มีฝุ่นเนี่ยคลุ้งไปในตอนกลางต่อมาเชดินอุรเวและกัสปะก็คิดว่าพระมหาสัมมาณะจะได้ถูกน้ําพัดไปเสียเลยเนี่ยโอ้พพุทธเจ้าน้ําท่วมไหมเนี่ยน้ำพัดออกไปแล้วมั้งางั้นก็พร้อมด้วยเชดินเป็นอันมากได้เอาเรือไปสู่สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่เห็นพระพุทธเจ้าทรงบันดาลให้น้ําห่างออกไปโดยรอบเสด็จจงกรมอยู่บนภาคพื้นที่มีฝุ่นฟุ้งคลื่งในตอนกลาง พอไปเห็นเดินจงกรมฝุ่นฟุ้งขนาดนั้นก็บอกว่าข้าแต่มหาสมณะท่านยังอยู่ที่นี่ดอกหรือพระพุทธเจ้า ก, ก็บอกว่าถูกล้ากัสปะเรายังอยู่ที่นี่เสร็จแล้วพระองค์ก็เหาะสู่เวหาปรากฏอยู่ที่เรือว่า ง, งั้นเมือนก็เดินขึ้นไปขึ้นเรือธรรมดาเลยแหละเชดดนุรุเวและกัสปะก็มีความคิดว่ามหาสมณะนี่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแท้ ถึงกับบรรดาลไม่ให้น้ําไหลเข้าไปได้แต่ก็ไม่เป็นผ้าละหันเหมือนเราห้ามน้ําได้ห้ามลมห้ามไฟทําอะไรทําได้หมดใช่ไหมแต่ไม่เป็นผ้าละหันเหมือนเราลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็าดำเนินว่าโมคฆบุรุษคนที่กลวงภายในเนี่ยโมคบุรุแล้วว่ากลวงภายในอ่ะข้างในไม่มีอะไรเลยปางเปล่าศูนย์เนี่ยนะศูนย์ในที่นี้คือ ว, ว่างจากคนคืออภินญามักผลทั้งนั้นแหละเหลือแต่ความมั่นใจว่า ง, งันเต็ มีแต่ความมั่นใจอยู่ในใจเท่านั้นแหละแล้วใจที่มันมันม่นนี่มันเป็นใจประเภทมิจฉาทิถิด้วยสิไม่ใช่ใจแบบสัมมาทิฏฐิอะไรโมฆะบุรุษนี้ได้มีความคิดอย่างนี้มานานแล้วว่าพระมหาสมณะนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแต่ก็ไม่เป็นพท่ารหันเหมือนเราถ้ากระไรเราพึงให้ชะดินนี้สลดใจพวกรู้แล้วว่าเนี่ยเป็นกาละได้เวลาอันสมควรนะเพราะว่าแสดงฤทธิ์มาเป็นพันแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ ผมก็แต่กับรู้เวลกัสปะว่าดูก่อนกัสปะท่านน่ะไม่ใช่พระอรหันต์แน่จริงๆนะท่านไม่มีภาวะแห่งอรหัตตผลเลยไม่มีภาวะแห่งความเป็นผู้ไกลจากกิเลสกาจัดข้าสึกคือกิเลสภาวะแห่งผู้หักซี่กราแห่งสังสารจักรไม่มีภาวะที่ควรรับเครื่องสการะบูชาไม่มีภาวะในการไม่ทำบาปในที่รับท่านไม่ได้มีภาวะอรหันตตะคุณเหล่านั้นเลย ท่านไม่ได้เป็นพระอาเสขะไม่ใช่เป็นผู้เสร็จสิ้นกิจในการเจริญศีลเสร็จแล้วอาธิจิตเสร็จแล้วอาธิปัญญาเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นท่านไม่ใช่พระอาเสขะที่สําเร็จการศึกษาแล้วและยังไม่พบข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันด้วยไม่ใช่ไม่เป็นพระอรหันธรรมดานะข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันท่านก็ไม่รู้เรื่องนะว่าข้อปฏิบัติคือสิกขาสามที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันท่านก็ไม่นี่ เพราะฉะนั้นแม้ปฏิปทาของท่านที่จะเป็นเหตุให้เป็นพระอรหันต์หรือพบทางแห่งความเป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีแต่ก็มีแต่ความมั่นใจใช่ไหมความเป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีอยู่จริงข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหันต์ก็ไม่มีอยู่จริงมีแต่มั่นใจว่าเป็นพระอรหรันต์เท่านั้นแหละ องพอบอกตรงๆเข้าอย่างนี้ว่าแปลว่าท่านกลวงวังเงินเถอะไม่มีอะไรเลยไม่มีสาระไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยไม่มีอธิศีนท์อธิจิตอธิปัญญาไม่มีการกําหนดรู้ทุกล้าสมุ ท, ทัยทำนิโรธให้แจ้งไม่มีกิจคือการเจริญอริยมรรคไม่มีกิจที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานอะไรสักอย่าง อุรเวลกัสปานี่ก็หมดสภาพเลยซบเสียนนะะซบเสียนลงที่พระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจา้าเรียกว่าซบหัวทูลแทบเท้าเลยองั้นนะซบหัวแทบเท้าเลยนะพอพูดเข้าแค่นั้นนะหมดสภาพเลยนะนะครับ ว, ว่าเป็นลูกป่งลําพองมานานเพราะเอาเข็มอันเดียวจิ้มเข้าไปก็นนะั้นหมดลมเลยแล้วก็เลยซุบเสียนอยู่แทบเท้ากราบทูลขอบรรปรชาอุปสมบทต่อพระผู้มีพระภาคเจา้าว่าขอข้าพระพุทธเจ้ า, จาพึงได้บรนประชา เพิ่งได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะสลาเข้ค่ยขอบวชแล้วว่าไงพระผู้มีพ ร, พระภาคเจ้าก็ตรัสว่ากัสปะท่านเนี่ยเป็นผู้นำผู้นำก็คือหัวหน้าเป็นนายกเนี่ยนะเป็นผู้ฝึกสอนเป็นผู้เลิศเป็นหัวหน้าเป็นประธานของช น, 500นินห้าร้อคนท่านจงบอกพวกนั้นก่อนพวกนั้นจัดทำตามที่เข้าใจเออจะบวชจะยังไงก็บอกลูกศิษย์ลูกหากันก่อนนะ ลำดับนั้นชฉดินอุรุเวลกัสปะก็เข้าไปหาชฉดินเหล่านั้นแล้วก็แจ้งความประสงค์ต่อเฉดินเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเราปรารถนาจะาประพฤติพรหมจรรย์ในพระมหาสมณนะท่านผู้เจริญทั้งหลายจงทําตามที่เข้าใจคือแล้วแต่ใจท่านท่านจะทํายังไงก็ช่างเถอะเรื่องของท่านแต่ข้าพเจ้าจะบวชละวลนันจะบวชในสำนักพระพุทธเจ้าแต่เชื่อนะว่าชฉดินอุรุเลุรุเวลกัสปะเคารพพระพุทธเจ้าตลอดใช้คําว่ามหาสมณนอยู่ตลอด ปกตินีว่าถ้าสมณะเนี่ยแปลว่าเป็นคําบอกว่าสมมนาก็คือพวกที่เป็นนักบวชอะนะเป็นภิกษุเนี่ยเป็นที่ไม่ค่อยเคารพแต่ถ้ายกย่องว่ามหาสมณะเนี่ยเทิดทูนมากเคารพมากแต่ว่าแหมจะอะไรกับมานะเข้านี่นะมานะเนี่ยแหมสุดยอดเลยแหละทั้งมานะทั้งทิฏฐิบวกกันเข้าไปเนี่ยนะมานะเป็นปัจจัยกับทิฏฐิทิฏฐิเสริมมานะมานะเสริมทิฏฐิเข้าโอยพกความมั่นใจเต็มร้อยเลยแหละถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปโปรดเนี่ยหมดสิทธิ์จริงๆเลยนะ ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่วิสัยพวกเชเดนนั้นก็กล่าวเปลี่ยนว่าพวกข้าพเจ้าเนี่ยใจจริงก็เลื่อมใสอ ย, อย่างยิ่งในพระมหาสมณมานานแล้วใจจริงก็เลื่อมใสมานานแล้วท่านครับถ้าท่านอาจารย์จักประพฤติพรหมจรรย์ในพระมหาสมณะพวกข้าพเจ้าทั้งหมดก็จักประพฤติพรหมจรรย์ในพระมหาสมณะเหมือนกันอู้อาจารย์ยังเอาได้ข้าพเจ้าก็เอาเหมือนกันเลยต่อมาเชเดนเหล่านั้นก็ลอยผมเรียกว่าตัดผมลอยเลย ลอยชดาลอยเครื่องบริขารและเครื่องบูชาไฟในน้ำจะก็พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทบเสียนลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทูลขอบันประชาอุปสมบทต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอพวกข้าพระองค์พึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าข้าขอบวดเลย พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าพวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดดังนี้แล้วก็ตรัสต่อไปอีกว่าธรรมะอันเรากล่าวดีแล้วพวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดก็คือท่านเหล่านี้เป็นผู้มีอุปนิสัยที่เป็นเอหีภิกขุอุปสัมปทาแล้วก็เป็นชาติสุดท้ายด้วยเนี่ยนะจริงพวกท่านเหล่านี้เป็นปัดชิมพวิกษัตรย์สัตว์ที่อยู่ในภพสุดท้ายทั้งนั้นเลยแต่ขนาดนั้นแห ม, มเจอมานะเข้าไวในยุ่ง น, นะเจอทิฏฐิเจอมานะเข้าไปในยาก พระวาจานั้นแหละก็เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุเหล่านั้น